ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประพูทยานในวันนี้นย่าแห่งอนาปานสติภาวนารเรนาปานสติกรมฐานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงขั้นตอนแห่งการปฏิบัติเฉพาะช่วงของอนาปานสติ ก็มีอยู่สขั้นตอนด้วยกันคือการตั้งสติตามระลึกรู้ลมหายใจเข้าและหายใจออกหายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้ตามนั้นที่จริงโดยหลักการปฏิบัติก็อยู่ตรงนี้ส่วนอีกสองขั้นที่กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าออกก็ดี การดูความสงบระงับของลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่ากายสังขารก็ดีนั้นจะใช้ในกรณีที่สิ่งเหล่านั้นปรากฏเมื่อสิ่งเหล่านั้นยังไม่ปรากฏใจของบุคคลก็ามากำหนดอยู่ที่จุดซึ่งลมกระทบเป็นประการสำคัญแต่โดยหลักการแสดงที่ รูบาจารย์ทั้งหลายได้แสดงวิธีการต่างๆไว้เป็นอันมากนั้นโดยหลักการปฏิบัติก็ถือว่าเป็นอุปการะที่จะช่วยให้จิตฟุ้งซ่านน้อยกว่าเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าช่วยจิตสงบได้ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นยังต้องมีการ ภาวนาคือจิตยังเล่นไปในารมต่างๆอยู่แม้แต่การตั้งสติตามลมจิตก็ยังวิ่งหรือว่าการนับจิตก็ยังวิ่งอยู่แต่เมื่อนามาเทียบเคียงคือท่านพูดในชั้นของการเทียบเคียงระผลคือความสงบเกิดขึ้นกว่าปกติ กว่าปกติไหนปกติที่ไม่ได้มานับลมหายใจเข้าออกอูแต่จะถามว่าสามารถทำจิตได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิในชั้นนี้ด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่ก็ตอบว่ายัางไม่ได้กรณีภาษาริบุพเทระได้อธิบายไว้ในปฏิสัมพิทามักถึงหลักการปฏิบัติว่าลมหายใจเข้า ลมหายใจออกกับนิมิตจะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนิมิตก็คือจุดที่ตั้งจิตตั้งสติกำหนดระลึกเวลาลมหายใจเข้าออกกระทบอาลีทันใช้คำว่าอัสสาสะปัสสาสะกับ น, นิมิตเพงก้อนนี้ท่านชี้ไปที่จุดซึ่งลมกระทบที่ช่องจมูก ปายดึงผีปาดิมีปากบึ้งบนหรือว่าปลายจมุกให้บุคคลเจริญคือภาวนาไปเรื่อยๆตั้งสติระลึกอยู่เรื่อยๆเราจะใช้บทภาวนาเป็นเบื้องต้นก็ได้นัร่รก็จนสติระลึกอยู่กับจุดนิมิตคือจุดที่ลงกระทบนนั่นเอง จะมีความประนีตขึ้นไปเป็นชั้นๆในชั้นแรกก็เป็นจุดที่ลงกระทบอยาเพราะเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติและเมื่อตั้งสติระลึกอยู่เช่นนี้เรื่อยไปในลมหายใจจะสงบสติก็ยังระลึกรู้อยู่ที่นิมิตตัวนั้น ที่จุดนั้นแต่บางครั้งแม่ลมหายใจเกิดหายไปอย่างที่กล่าวไว้ใจของบุคคลเองก็ยังระลึกรู้อยู่ที่จุดเหล่านั้นแม้ในตัวใจเองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความประนีตที่เกิดขึ้นไปโดยลำดับการตั้งสติ ก, กำหนดระลึกอยู่ ในลักษณะนี้เป็นส่วนของภาวนาที่ทรงใช้คำว่าอบรมกระทำให้ปากกระทำให้เป็นญาณเป็นเครื่องอาศัยแล้วผลคือความสงบก็จะเกิดขึ้นเองและเมื่อเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นโดยการกาหนดรู้กองลมโดยการดูที่ลมหายใจสงบระงับ ก็สงสอนให้ตั้งใจระลึกอยู่ตามสมควรแก่ขณะที่อารมณ์เ่าดันปรากฏถึงหมายความว่าอะไรปรากฏก็ตั้งสติระลึกอยู่ในขณะนั้นในบางคนเวลาปฏิบัตินิมิตที่แปลกๆ ป, ปรากฏขึ้นก็าสามารถใช้นิมิตเหล่านั้นเป็นตัวตั้งสติระลึกก็ได้ แต่กระลึกอยู่ในจุดนั้นเป็นแนวที่ท่านเรียกว่าปฏิภาคนิมิตบ้างอุกกห์นิมิตบังอุกกห์นิมิต ก, ก็คือนิมิตที่ติดตาปฏิภาคนิมิตนิมิตที่สามารถเทียบเคียงคือกําหนดจิตให้นิมิตเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่งตางๆได้แต่นิมิตในความหมายนี้ไม่ใช่นิมิตที่กล่าวแล้ว เป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นภายในจิตของตนเองอาจจะเห็นเป็นแกน้วมันีเป็นพวงดอกไม้เป็นดวงจันทร์เป็นดวงอาทิตย์เป็นต้นถ้าจะตั้งสติระลึกอยู่ที่นั่นก็ได้แต่ต้องระลึกในแนวของปฏิภาคาระนิมิตโดยกำหนดจิตได้เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือมุ่งหมายที่จะให้เป็นตามที่ตนต้องการให้เป็น แต่ในขณะเดียวกันท่านก็สอนไม่ให้ติดอยู่ในจุดตอนนี้เพราะแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากสัญญาในอดีตหรือความจำทรงของบุคคลที่อาศัยประสบการณ์ในอดีตของตนได้พบเห็นสิ่งต่างๆมาไม่เหมือนกันทั้งในช่วงสั้นคือในชาติปัจจุบันและในช่วงยาวคือในชาติอดีตเราเก็บสะสมสิ่งต่างๆไว้ไม่เหมือนกัน เพราะเมื่อปรากฏเป็นรูปนิมิตจึงไม่เปมนกันนิมิตเหล่านั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องจริงถ้าคืนไปเพลิดเพลินไปจิตอยู่ก็ในที่สุดการปฏิบัติก็จะหยุดอยู่เพียงจุดนั้นแต่ถ้าจะถามว่าดีหรือไม่แต่ถ้าจะเทียบกับการไม่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้ก็ดีกว่าแต่จะเทียบถึงผลเบื้องสูงอย่างนี้ก็ขอให้ยึดจิ ดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งท่านก็สอนให้เพิกนิมิตคือไม่สนใจในนิมิตตัลุงว่าในส่วนของภาวนาก็ว่ากันสุงนี้ปฏิบัติโดยในายานนี้เวลาสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปีติเป็นความสุขเป็นอาการของสัญญาของเวทนาเป็นต้นถ้าปรากฏก็พยายามศึกษาหาความเข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องเหล่านั้น ตามสมควรแก่อารมณ์ที่ปรากฏแต่ในการปฏิบัติที่จะให้เกิดผลนั้นท่านสอนให้ศึกษาถึงสิ่งที่เป็นอันตรายและสิ่งที่เป็นอุปการะตำนองใกล้กับคนที่จะทำงานให้ประสบความสาเร็จนอกจากเป็นเรื่องที่ตนจะต้องทำแล้วก็ต้องมองถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคอันตราย ซึ่งจะทำให้งานเหล่านั้นเกิดความล่าช้าล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จและต้องศึกษาถึงปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนให้งานสาเร็จลงด้วยความรวดเร็วและผลงานมีความเรียบร้อยกรณีท้านในแสดงไว้ในปฏิสามพิธามักเช่นเดียวกันว่าเอจิตใจของบุคคลที่ ไปกำหนดอารมณ์ว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอันตรายต่อสมาธิซึ่งก็หมายถึงกามาฉันทะทนิวรณนั่นเองยามใดที่ใจของบุคคลปเปี่ยวนึกตรึกนึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสพทภะในแง่ที่ ใจไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจอาการกรรมฉันก็จะฟูขึ้นภายในใจความสงบที่ควรจะมีก็มีไม่ได้เพราะสภาพทั้งสองนี้จะไม่อยู่ร่วมกันในขณะเดียวกันในยามใดก็ตามที่ใจไปหมกมุ่นคุ้นคิด ไว้จิตกำนัเพลิดเพลิพนยินดีในอารมณ์ทั้งหลายอยู่แตยามนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้ตยามใดที่สมาธิเกิดความคิดในลักษณะดังกล่าวก็ต้องสงบไปเป็นทานองความมืดกับสว่างไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันในจุดเดียวกันได้นั่นเองดังนั้นท่านจึงสอนให้ศึกษาว่า เรื่องเหล่านี้แม้แต่ขณะความคิดก็เป็นอันตรายต่อความสงบไม่ต้องกล่าวถึงการหมุกมุนวุนนวายการเกี่ยวข้องอุกพันอยู่กับเรื่องเหล่านั้นได้ทรงใช้คำว่ากล้มาสุ ข, ขการนิการนโยบแต่เป็นลักษณะนั้นแล้วก็เลิกพูดถึงเรื่องความสงบกันแตในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้รู้สิ่งที่เป็นอุปการะ ความสงบคือเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสงบได้ง่ายนั่นก็คือเนคข ม, มะเนคขมะแปลว่าการออกพื่อุุอันใหญหรือการออกจากกิเลสการออกจากความทุกข์ก็แล้วแต่ว่าจะออกได้ขนาดไหนในข้อ น, นี้ทรงจําแนกแสดงประเภทของบุคคลในโลกเอาไว้เป็นสประเภทด้วยกัน ประเภทแรกคือไม่ออกทั้งทางกายและทางใจหมายถึงกายก็หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับกรมอาคุณทั้งหลายและจิตใจก็กำหนัดเพลิดเพลินดีอยู่ในกรมคุณเหล่านั้นประเภทนี้ก็เลิกพูดเรื่องความสงบในด้านจิตใจแต่จะพูดจะสอนก็จะสอนในชั้นศีลคือให้มีการงดเว้นอย่าประพฤติกระทาในทางที่ทุจริตเท่านั้น ประเภทที่สองเรียกว่ากายออกแต่ใจไม่ออกหมายถึงกายที่ไปสแสวงหาความวิเวกอย่างไรอย่างหนึ่งสถานที่ใดที่หนึ่งตลอดถึงอยู่ในเพศของผู้สงบจนเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาหรือในปัจจุบันที่ออกมาเป็นรูปของศรีลจารินีในคามารินี หรือพรามณีหรือว่าเป็นปะขาวตลอดถึงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สมาทาน โ, โ, โสดาสีนิต้นถ้าในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็ถอยให้ห่างไกลออกจากวัตถุกรรมทั้งหลายมากแต่ถ้าจิตใจของบุคคลยังไปคิดตรึกนึกถึง รูปเสียงกลิ่นรสพุทธะด้วยความคล่ความปรารถนาความพอใจหรือไม่น่าใคราไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เฉพาะในยะนี้ท่านสอนเฉพาะกําหนดว่าน่าใคร่ยน่าปรารถนาน่าพอใจว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความสงบในทางจิต ในข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าอย่างในขณะนี้กายเขาแยกมาจากปัจจุบานตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิมรส ถ, ถูกต้องปุตภาพที่กระตุน้นกามราคะให้บังเกิดขึ้นปนัญหาสำคัญยังอยู่ที่ใจประจัยขณะนี้คิดอย่างไรคิดถึงเรื่องอะไรคิดในลักษณะใด ถ้าว่ายัางตั้งสติระลึกดูอยูด่ดูจุดที่ลมกระทบอยู่ก็ต่างแต่จริงๆแล้วใจไปคิดถึงเรื่องที่ขอให้เกิดความกรหน่ดรักคร้ยินดีก็แสดงว่าออกอย่างเดียวคือออกมาเฉพาะกายแต่ใจไม่ยอมออกการทำสมาธิเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของกาย เพราะถ้าใจรอดพ้นจากกามคุณได้กายอาจจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นกามคุฎก็ได้แต่ใจจะไม่ผูกขึ้นโดยอำนาจของความกำหนัดเพลิดเพลินถ้าใจยังไม่สงบจากความคิดในลักษณะนี้สมาธิก็ เ, เกิดขึ้นภายในใจไปได้ข้อนี้บางครั้งทรงอุปมาให้เห็นว่ามัเหมือนกับบ้านเรือน ที่หลังคารั่วแม้จะรั่วสักจุดหนึ่งก็ตามแต่เวลาฝนตกก็ทะลุลงไปถึงพื้นบ้านใดบางคราวจิตใจของบุคคลอาจจะสามารถสงบความคิดด้วยความอานาจต้งความกำหนัดเพื่อเพื่อยินดีในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งลงไปหรืออาจจะได้ถึงห้าอย่าง แต่ถ้าตัวธรมรมอารมณ์ยังมีปัญหาความสงบก็คือคงเกิดขึ้นไม่ได้อยู่นั่นเองในข้อนี้บางครั้งส่งสอนในรูปของเป็นการปิดกั้นกระแสของอารมณ์เพื่อไม่เกิดอันตรายโดยทรงยกตัวอย่างเมื่อกเตาที่จะป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากอันตราย จากสัตว์ต่างๆที่จะมากัดกินตนก็ต้องเก็บเท้าทั้งหมดทั้งสี่เข้าไว้แล้วเก็บหัวไว้ข้างในดองในกระดองสัตว์อะไรก็ทาอันตรายไม่ได้เพราะไม่มีอะไรโผล่ออกมาให้เป็นสื่อที่สัตว์จะไปกัดไปกินได้เมื่อนั้นก็มีกระดองที่แข็งคำสอนในแนวนี้คือสอนในรูปของ อินเสียสังวรนั่นเองแต่ตัวการใหญ่ก็คงมาอยู่ที่จิตซึ่งยังมีธรรมารมที่เก็บสะสมเอาไว้บ้าโดยเฉพาะในยามที่ต้องการความสงบพวกนี้แกมีกำลังมากเหมือนกันแกจะขึ้นมาฟูขึ้นมาภายในใจแต่จะมีการต่อสู้กัน แต่าใดฝ่าหนึ่งมีกำลังมากก็จะผลักดันอีกฝ่ายหนึ่งให้ออกไปจากใจอย่างน้อยก็บางขณะเห็นว่ากำลังของในคขมะคือใจที่ออกไปจากอำนาจของกิเลสกามสูงก็ผลักดันความคิดเหล่านั้นไม่พนักสิการหรือไม่ใส่ใจถึงความคิดในลักษณะนั้น ใจก็เกิดความสงบได้ในแต่ละขณะอีกประเภทหนึ่งทรงแสดงว่ากายออกแต่ใจกายไม่ออกแต่ใจออกซึ่งหมายความว่าเป็นการปฏิบัติของบุคคลที่มีความเข้มแข็งในด้านจิตใจอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีนั่นเอง แต่ไม่กำหนัดเพลิดเพลินเด็ดเดในกรณีนี้ปริมาณของปัญญาที่ใช้จะต้องสูงพร้อมกับสติต้องมีกำลังมากคราวนี้พิ่งดูตัวอย่างภาษารีบุตรประโมคคัลลานะที่ไปดูการแสดงมรสุปซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินแต่พอสติปัญญาท่านแก่กล้าขึ้นท่านนั่งดูอยู่นั่นเอง ดูการแสดงการไร้รำซึ่งเคยกำหนด เ, เพลิดเพลนยินดีในคืนก่อนๆแต่เด็กคืนนั้นท่านได้ในช้ปัญญาพินิพพิจนามองเขียนว่าเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระเพราะแท้จริงการแสดงทั้งหมดเป็นเรื่องไม่จริงซ้อนความไม่จริงแลวทั้งคนดูทั้งคนแสดงในที่สุดก็จะจบลงที่ความตาย การใช้เวลาไปในลักษณะนั้นจึงเป็นการใช้เวลาไปอย่างประมาณ ใ, ใจที่เิดกำหนัดเพื่อเพือนยินดีก็ไม่กำหนัดเพื่อเพือนยินดตีตัวการใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไปอยู่ที่ข้างในอยู่ที่การกำหนดของบุคคลเองถ้าไม่กำหนดใจมันก็ไม่กำหนัดความกำหนัดจึงเกิดขึ้นจากใจที่กำหนด ตรึกหมายความว่าใจยอมรับคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นให้ความสําคัญแก่สิ่งเหล่านั้นความกระหนัดจึงเกิดขึ้นและก็พร้อมที่จะสายไปในอารมณ์ต่างๆคนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อสัสรู้ใหม่ๆก็ทรงประลบถึงปัญหานี้ที่ทรงค้นคว้า ม, มานานแก้ไขไม่ตกสักทีนึ่ะแต่ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ก็ทรงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันเกิดจากความดําริของคนปัจจัยข้างนอกไม่มีความสําคัญอะไรถ้าใจไม่ไปดนนาริตซึ่งบุคคลสามารถเทียบเกียงในเรื่องอื่นๆก็ได้เจนจะเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งซึ่งเขาลือว่าผีดุแต่เราไม่กลัวผีคนอื่นอาจจะกลัวแต่เราไม่กลัวเรืออาจจะเข้าไปในที่สัตว์ดุ คนอื่นกลัวเขาก็ตกใจหวาดระแวงแต่คนไม่กลัวหรืเฉยๆหรือมีปัญญาในการจัดการกัตรัต์เหล่านั้นก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ตื่นสนุกตกใจอารมณ์ที่เกิดได้ก่อให้เกิดความกำหนัดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันอยู่ที่ใจเราไปกำหนดว่าหน้าใครน่าปรารถนาหน้าพอใจหรือไม่ถ้าไม่กำหนดแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลอะไรเป็นศักแต่ว่าเป็น ทำนองเดียวกับที่บุคคลไปเห็นสิ่งของต่างๆที่ปรากฏอยู่ทั่วๆไปถ้าใจไม่ให้ความสำคัญแก่สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็เป็นอย่างที่มันเป็นแล้วก็เห็นอย่างที่เห็นอย่างที่ทรงสแสดงแก่พระพายยะธรุจิรญาซึ่งหลักการปฏิบัติแบบง่ายๆถึงก็หมายความว่าโคตรคลีวุ่นวา ย, ยากับอารมณ์ทั้งหลายนั้นเอง ไมได้หลกนีออกไปสู่ป่าช้าหรือว่าอยู่ในป่าดงดิบอะไรแตอยู่ท่ามกลางรูปเสียงกลิ่นรสผดกระพะที่น่ากล้าย่าปรารถนาน่าพอใจทั้งชาวโลกอยู่นั่นเองแต่เพราะความรู้เท่าทันมีสติปิดกั้นกระแสของอารมณ์ที่กอให้เกิดความกำหนัดไว้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ายินได้ทราบทางจมูกลิ้นกายก็สักแต่ว่าทราบ ได้รู้ทางใจก็สักแต่วรูร้จริงเหล่านั้นก็จะตกไปจากใจไม่สามารถครั่งความเปลี่ยนแปลงความสั้นไปดิ้นไปให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลได้แต่โดยหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วจะเด็ดขาดได้ก็ต้องอาศัยอนาคามีมัชเป็นจุดสูงสุด ดังนั้นพระอนาคามีจึงเป็นคารวาสครองเรือนได้คืออยู่ในบ้านในเรือนได้แต่ก็ไม่ครองเรือนอย่างชบ้านทั่วไปอารมณ์ทั้งหลายภายนอกนั้นไว่ล้อมท่านอยู่แต่ใจท่านก็หลุดพ้นจากอารมณ์เหล่านั้นจึงไม่ฟัวขึ้นไม่ผู้ปลุกท่านมาบุคคลที่อาศัยสติสัมมาจัญญาได้ความเพียรในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันก็จะใช้หลักการสรํารวมระวัง โดยการมีสติอย่างไม่ประมาทที่ต่อเ น, นื่องจึงส่งสอนว่าระวังใจแม้กำนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดเป็นชั้นของการระมัดระวังใจอย่าน้อยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นตกรอใจในชีวิตประจาวันได้ดูได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาแล้วก็ผ่านพ้นไปเวลาจะมาทำให้ความสงบเกิดขึ้นภายในใจด้วยวิธีการของสมาธิมันก็ทาได้งา่าย นี่ถือว่าเป็นอุปการะที่สำคัญสำหรับคนซึ่งกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปรโพธิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี